เพราะความเจริญนียมีแต่ ท, าาตท่านแต่ร่มปวงติยานกำลังเสนอประพุทธกำรังสัแต่ท่านอุปการที่วกมาถึงช่วงสุดท้ายที่รับสั่งว่าเราจะไปเมืองในแพร่งด่าเพื่อประกาศผลจากใ้แห่นไปเราจะตีกรองมาส่างนโลกันมืดเพื่อให้การได้ทำ คำว่าสามาจากักรูก็คือดวงตาที่เห็นภาพแต่ถามว่าเรานับจากตรงไหนที่ชื่อว่าสมาจากักรู้เนับจากการเป็นพระโสดาบานันก็าการเห็นธรรมนั้นกิเลสต้องลดนะแล้วถ้าหากว่ากิเลสจะไม่ลดก็ยังไม่ได้ชื่อเลยกนะ็อาจจะพูดว่ารู้ไง หรือว่าเรียนทรรู้ทรมันต้องขอจัดความรู้หลักการตรงนี้จึงถือว่าเป็นมากที่เทียบเทียงการศึกษาในเกี่วกับโลกการตรวจคดีธรรมกับบางเรื่อกบางอยนะซึ่งแน่นอนว่าชาวูดเราส่วนใหญ่ก็เข้าไม่ถึงตรงนี้นะแต่พระพิสุธรรมเนนเองก็ มีไม่มากัที่เข้าถึงง่สตัวการทำลายกิเลสที่ระดับปัจจุบันนั้นทำได้มันเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแรกก่อนการหนักคือสักยะทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุที่ตัวถื้อตนมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนเป็นอนตาจ มนุษย์ในแง่ของจิตวิทยาที่เรเรียกว่าิตอิโก้ทุกคนอิโก้มันมีสัญชาตญาณจิตทีเกลือของตัวเองและก็ยากที่จะยอมที่จะขายเงินวันการที่ขอดเที่ยวเล็บออกมาโดยไม่มีตัวคนที่จะสือบางครั้งบางคราวสมอุปมาว่าทำตัวเหมือนกับผ้าเช็าเ้า แต่ทำตัวเสมอได้แผ่นดินคใครๆจะเอาอะไรไปเทลงไปหรือว่าใครจะเอาเท้ามันเคื่อนอะไรเทลงไปก็ไม่ยินดียินรายถึงบนที่จริงระดับประสบอวบันนั้นไม่ใช่ตัางประเทศประเทศโศกสาใดเพียงแต่ว่าอารมณ์ที่กระแทกท่านนั้นแม้จะมีอาการคุนดูแต่ก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดความตเพราะท่าน ปิดประตูอบายไดเพราะเรื่องธรรมจักรสนั้นก็คงจะคุยในรายละเอียดเมื่อถึงเรื่องของพระอัญญาบุญอัญญาทีนี้ข้อความตัวนี้ท่านท่านอุปกาชีวกไม่ตั้งหลักไม่ได้เพราะว่าท่านคาดหมายไว้ว่าพระพุทธเจ้าพระคงจะเป็นเพียงนักบวชคนหนึ่งที่เป็นศิษย์ของใครคนใดคนหนึ่งและชอบใจ ละที่ทำของคณาจารย์เจราที่ตรงนั้นสยบตนอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงว่เราจะรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าอาจารย์เพราะเราไม่มีคนเช่นเราก็ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มีในโลกกับสิ่วโลกเพราะเราเป็นปอลาหันในโลกเราเป็นศาสตาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เราผู้เดียวเป็นสมมาชมพุทธะเราเป็นผู้เย็นดับ ได้แล้วเนี่ยเรื่องใหญ่ที่จะตั้งหลักนะ้รับเพราะจริงคนที่กล้าประกาศอย่างนี้ก็มีเป็นผู้ชาติเองคือกัณอาจารย์เจ้าที่ที่มีอยู่ในสมัยนั้นยังไม่มีใครกล้าประกาศกันก็จะลืมว่ามันจะถูกพิสูจน์ทดสอบใครประกาศขึ้นมาก็จะผ่านการพิสูจน์ทดสอบแต่พระเจ้าจเรานั้นโดนพิสูจน์ทดสอบมาตั้งแต่โน้นพญา ม, มารมา 2-3 ครั้ ง, ง น, น, นะ และโดยเฉพาะทิดาพยมามาประจนด้วยพิธีการแบบมายาหยิงร้อยเล็บเปลี่ย น, นแต่มาเลยแต่พระชายเองก็ไม่หวั่นไหวนั้งแสดงให้เห็นถึงว่าดับสนิทถึงิ้นเลยอนทะั้งดับสนินท่านอุบยการชิว็กก็กล่าวถึงว่ า, วาทุกคนอาวุโสที่จริงเป็นคำทีู่ดีเสมอนะอาวุโสนี่แปลว่าคุณ คุณหรือเธอนะฮะแล้วก็ไปว่าเองไปว่าอะไรก็ได้แต่ว่าขนาดอุปการชีวิตกับพระพุทธเจ้าก็อาจจะไปว่าท่านก็ได้แต่สรุปว่าเป็นการพูดผิดเสมอเพราะถ้า ห, หาก็พูดด้วยความเพรีต้องใช้คำว่าผันเส้ตรงนี้ขติิไทยเราเอามาใช้มั่วเราเห็นว่าถ้าอาวโุโสนเนี่ยทเราไปว่าผู้มีอายุเราก็นึกว่าคนแก่เราก็ใช้หมายถึงคน จริงๆไม่ได้หมายความแาบนั้นหมายความว่าเป็นผู้ผู้น้อยถ้าผู้ใหญ่เราเรียกท่านเตแบบว่าท่านผู้เจริญเจริญด้วยวัยเจริญด้วยคุณเจริญด้วยความดีต่างๆเราก็เรียกว่าท่านผู้ใหญ่เวลาพระผู้น้อยพูดกับพระผู้ใหญ่ก็เรียกท่านเตแบบผู้ใหญ่กับพระพูดกับพระผู้น้อยก็เรียกพระผู้สู เพียงแต่ว่าเราเป็นพระไทยเราก็ไม่เคยพูดกันนั่นเองนอนกจากมีพิธีกรรมทางศาสนาหรือสังฆกรรมทางศาสนาเราก็ใช้ภาษาบาลีท่านบอกว่าอาวุโสท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านควรเป็นผู้ชนะที่หาที่สุดไม่ได้โดยประการนั้นก็เป็นคำพูดที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของการยอมรับ คือท่านบอกว่ายาถาโขตวังอวุโสปฏิชาณาสิอรหสิอนันตชิโนโ ก, ก็แปลว่าท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านควรเป็นผู้ชนะหาที่สุดนี้ได้โดยประการนั้ น, นเพราะเราจะเห็นว่าเป็นคำที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็ไม่ได้ยินบ่อยนะ ท่านเรียกวระพุทธเจ้านะเป็นคำที่ท่านเรียกอ น, นันต์เปชนแะแปลว่าเป็นผู้ชนะที่หาที่สุดไปได้คือไม่มีใครที่จะทัดเทียมไอจากประโยคตรงเนี้ยมันนำไปสู่เหตุการณ์ในระยะหลังอตอนปลายปลา ย, ลา ย, ลายพุทธสมัยนเลยไปเกี่ยวข้องกนะับท่านอุปการะ คือท่านอุปการีวกในการต่อมาท่านก็ได้แสดงการยอมรับระดับในตอนข้อความต่อไปคนี่บอกพระพุทธเจ้าประักสั่งยืนยันว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาชวะแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเดียวควรอุปการ เราชนะทมอันลามกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะหลวเจ้าไม่ได้เรียกพระองค์ว่าอนันตชินะแต่ว่าเรียกว่าเป็นชินะซึ่งศาสนาเชนเองเขาก็เรียกเรียนศาสดาจิตตังกรท่านวัฒมาเนี่ยว่าชินะหรือเจนหรือจินน พรบผู้มีภาคสัตว์อย่างนี้แล้วประกาคือว่าคุณว่าเป็นให้พอเถอดพอแต่นี้แล้วก็สันธิสะเสื่อทางผิดแะเดินถอยประเด็นตรงนี้คือเราเราไปตีความแบบคติไทยนึกว่าท่านท่านปฏิเสธแต่ก็บอกว่าเอวังมุเตวะโกอาชีวโกอุเวหุเวยาวุโสวัตะวาคำว่าเป็นให้พอเถดพอ สีสังโอกรรมเปตตวาแปลว่ายังศีสะให้ไหวแล้วก็เป็นวิวทางต่างอื่นไปคนละทางกับที่พระเจ้าจะไปล้วก็แปลเป็นว่าทางผิดแล้วก็ก็ไม่เช็นผิดนะคือมาเข้าไปคนละทางกับพระเจ้าพระเจ้าจะไปเมืองพานาสีแต่ท่านก็ไปอีกเมืองในการต่อมาเนี่ยท่านใด สุดฮาลาเทศออไปก็แสดงว่าท่านก็ยังไม่แก่นะคือไปชอบใจลูกสาวของ อ, อพวกแสดงละครเรกเขาแล้วก็พ่อของเจ้าสาวเนี่ยก็เห็นว่าอาจารย์ชอบใจลูกสาวตัวเองก็นิมนต์เลยแล้วก็ให้อยู่กับลูกสาวแวต่ทีนี้ท่านก็บวชมานาน ท่านก็ทำมาเล่นละครละครอะไรอะไรไม่เป็นมันก็มีหน้าที่แค่เลี้ยงดูมา้าก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขกอดีขวรจะมีลูกชายึ้นมาคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่ท่านเล่าในตอนหลังแล้วก็ตกลงกันกับพัญญาว่ายังไงก็อย่าอย่ า, อ ย, าอย่าดูหมิ่นท่าน เพราะว่าท่านท่านไม่ได้ฝึกมาทางนี้ท่านก็รู้อีกด้านหนึ่งนะรู้คนละเรื่องกันก็อยู่กันมาด้วยเดี่ยววันหนึ่งลูกโตมาถึงควรแล้วก็เรียกว่าฝึจดาวแอบได้แล้วปัญญามันเกิดเกิดได้ลูกดึง น, นะฮะแล้วก็ลูกมันตัดมาลเล่นตันกันลอ้อล้อเล่นนะฮะล้อเล่นว่าลูกคนเรียกมาโง่มาก ร้ดูมิ่นเวในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะไม่อยู่แล้วหรือว่าพันยาทำลายสัญญาไม่ให้เกลียดกันก็ตัดสินใจว่าเราจะไปไหนละนในใน่ะอายุขัยก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้สหายของเรานะคือท่านถือพระเจ้าเป็นสหาย สหายของเราเวนี้ก็มีชื่อเสียงโด่นนะังทีรู้จักของคนต่าเราก็ไปห า, หาตาอันนี้ท่านเล่านะฮะท่านเล่าว่าเหตุ<อ>เหตุหนึ่งที่พระพุทธเจ้าต้องสเสด็จพุทธาเดินไปเกลยพบกับท่านอุปการศิวเป็นการเพาะเชื่อเอาไว้เพาะเห็นอุปนิสัยเขาครับแต่ไม่ใช่ระยะใกล้ใๆเห็นอุปนิสัยระยะไกลอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยท่าน ท่านจะต้องออกบวชในโลกลุตตอะวันนที่สุดนั้นก็ออกบวชทิ้งปัญญาแล้วก็สั่งเสียนูกเอาไว้มีเป็นเรื่องเล่าแต่ไม่เคยไม่เคยเจอตัวหนังสือจริงหรือว่ามีครบาอาจารย์รุ่นก่อนว่าสุภัททะ ปริพายซกที่เป็นประชิมสาวก ค, นะคือลูกของยอยุปตะจีที่พ่อสั่งเอาไว้ก่อนจะไปบวชว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ไปหาหาไปหาหาไปหาพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนกับพ่อเหมือนพจนรูกข่าวว่าพระุเจ้าจะนิพพานกะ็รีบไปฟัง น, นี่เป็นเรื่องเล่านะแต่ว่ามันก็มีการ เสียงเนี่ยู่ปวดสมวแลแต่ก็ดูสมเหตุสมผลนะดูสมเหตุสมผลเพราะว่าสุภะตะปฏิภาชก็ยังไม่แก่แต่ว่าท่านอุปกรารคีวกเนี่ยกขค่อนข้านงะแก่ครัไปภาพพระพุทธเจ้านั้นไปเรียกสอบถามผิดศกนย์ที่ประเทศตะวันตก เ, เราต้องการมาพบสหายชื่อว่าอันมันไล้ทีนะ ที่สู่ก็ก็สงสัยแนน่ะเพราะว่าไม่เคยได้ยินที่แล้ก็นึกว่าก็คงหมายถึงพ ร, ระพุทธเจ้าไปรี่นนไปแล้วนะครับต่อมาเขาว่าท่านไม่วตอนรู้ว่าผลเป็นพนาคนัทีนี้ประเด็นหนึ่งที่พี่หน้าทำความเข้าใจก็คือสีสังโอกรรมเปตว่าที่เราแปล ว, ว่ายังศีสะให้ไหวแปลเป็นไทยว่าสันหัว เราก็นึกว่าปฏิเสธไอ้ น, นี่คือคือวัฒนาธารรมเป็นความสับสนในด้านวัฒนาธารรมคือเราสื่อสารกันไม่เข้าใจแขกนั้นที่จริงเขาไม่ได้สันอยางอย่างคุณใดนลท่านที่เคยดูหนังแขกภระยนต์หรือเคยเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝุงที่เป็นชาวอินเดียจะเห็นว่าในต้อกระดิกค อ, อส่วนมากจะไปทางด้านใจก็แล้วแตนะ่บางคนก็ไปทางด้านความร โลกนะฮะคือแค่ๆก็โอเคสุขแต่ว่าเราก็แปลแปลอย่างนั้นก็ที่จริงก็หนังสือก่อนก็แป ล, ลแม้หนังสือพุทธวัติเอง ก, ก็แปลไปนเพราะอะไรเพราะว่าเราเรายังไม่เข้าใจวัาตถุรมของเขาและการแปลที่ไม่ตรงกับเนื้อหาที่ขุดค้นพบไปเลยมันอยูอ่เยอะๆแม้แต่ยาคาเนี่ย หาคาที่เราแปลว่ายญ้าคาเนี่ยกูสิที่แปลงลบแปลว่ายญ้าคาไปถึงอินเดียมันไม่ใช่มันเป็นหญ้าแบบแบ บ, แ บ, บแคล้ายคลายาคานเนี่ยแต่ไม่สากไม่ไข่แล้วก็ใบมันเป็ น, ปนมันใบเป็นมันยยนะยยแล้วก็ใหญ่นะใหญ่ยาวเพราะงั้นเราลองนึกดูว่าถ้าพระเจ้าไปลาดยญ้าคาแล้วก็ไปประทับนั่งก็แน่นอนเนี่ยก็มีกระบง นุ่มมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่มันก็น่าจะขันนะเพราะว่าประทับอยู่ตั้งเจ็ดปันแต่ถ้าเราดูหญ้ากุสิมันก็ไม่ขันแล้วก็ใบเป็นหมันด้วยจริงเหล่านี้เป็นประเด็นรีย่อยแต่มันก็ทําให้เกิดความต่อสนขึ้นมาได้นะี่แหละแต่คนบางคนอาจจะถือว่าบุรพาจารย์แปลผิด คือไม่ผิดหรอกอท่านบอกว่าสันสีสากแต่ท่านไม่บอกวา่ า, วาปฏิเสธก็แปลตามตัวนะแปลว่าสันสีสากก็แปลว่าภาษาไทยก็ไม่ได้หมายความปฏิเสธเพียงแต่ว่าใจมันไม่มาร้อยเซ็นงจากพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงพระสถานะเกินที่ท่านคาดหมายว่าเป็นอรหันตสมมาสมุทเจ้าหนื่อเกินเกินกว่าที่ท่านคาด คใหม่ทีนี้ในพระพุทธดําราชที่ทรงแสดงที่ยืนยันสถานะของพระองค์บุคคลเหล่าใดจนความสิ้นอาสวะแล้วเราเรียกพระหานวคีนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยางที่เราก็เรียกจะทรงทรงปฏิญาณลงเองก็ทรงใช้กับ่าคีนะครับก็คือมีอาสวะสิ้นแล้ว แต่ก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างแปลกนะเวลาเราเรียกขีนนาศเราเรียกว่าขีนนาแต่พอพระหมากัรสปะเนี่ยคนตรวจมากเขาเรียกว่าพรหมากศรีปาเดี๋ยวฟังแล้วรู้สึกมันน่าเกลียดฟังเหมือนกกัดขีดเลยก็เรียกเสียงใหม่ว่าเรียกหมากัรสปาก็โดยโดยหลักความเป็นจริงนะหลักทางการออกเสียงภาษาบาลีคือพยัญนชนะตัวใดก็ตามที่ไม่มีสิ่งอื่นอยู่ อยู่บนอยู่ล่างเนี่ยก็ถือว่ามีเสียงสาระอยู่ทั้งนั้นเพราะันจึงเรียกว่ามหาคสถาที่จึงต้องเรยกกระสอบนั้นเรียกแบบไทยไปแต่กีนาศพเนี่ยฟังดูไม่ใช่แปลกถึงแม้จะศพนะฟังดูไม่ใช่แปลกแ่คล้ายกับอะไรอะ่ะมีสถานีรถไฟอย่างหนึ่งก็เรียกว่าธรรมศพตัวนั้นก็จริงม่าธรรมสุวรรค์แ้วก็สะกด เราอะไรล่ ะ, ะ, ละปรากฏเราไปการันไว้การันที่ตัวนอไว้ก็แปลงว่าเป็นพระอะไรก็ศพจริงๆเป็นธรรมาสวนนะเป็นสาราฟังธรรมก็อาสวะเนี่ยหมายความว่าเป็นิเลตตัวหลักๆตามปกติเราจะเจอสามคำแต่บางแห่งก็มีสีนะบางแห่ง มีสี่ก็คืออการคือพบคือทิฏฐิเกิดวิชาแต่ถ้ามีสามก็คือการพบอวิชชาก็ไม่ต้องใ ส, ส่ทิฏฐิต้นทิฏฐิมันก็เป็นจริงจริงก็เป็นพวกอวิชาชาอยู่แล้วการ ม, มาสวะอานสวัคือการได้เกิกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ความปราะนาความ พ, ามพใอใจภาวาสวะอานสวะคือพบ บางครั้งก็เป็นภาวะที่ผิดความเห็นความเห็นว่าเป็นตัวเป็นโตนหรือเป็นภพเป็นชาติหรือบางทีก็เป็นภาวะดันหาอย่างที่เราคุ้นๆภาวะก็คือความมีความเสื่อมถึงถึงก็ปราถนาพบที่เปรียนี้ขึ้นไปเห็นการบาเป็นกุศลความดีต่างๆแล้วต้องการจะบังเกิดเป็นเทพประมเป็นเทพธิดามีอะไรล่ะมีเทพธิดาห้าร้อยเป็นบริวาร มันก็ทำลายได้หมดสิ้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเถื่อเพราะพวกนี้มาจากอริยาแต่นับมากก็มีนับน้อยก็มีก็แล้วแตนะ่แต่ว่ามันเป็นกิ่งก้านสาขาของกาิาเนี่ยก็รับสั่งว่าบุคคลเหล่าใดถึงความชินอาสวะแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเราใครก็ได้นะ เห็นไหมว่าศาสนาพุทธเปิดว้างเป็นาศาสนาแห่งคุณธรรมคือมาตวัดเนี่ยคุณก็มีคุณธรรมคุณเป็นใครก็ได้คุณอาจจะเป็นขอทานคุณอาจจะเป็นเศรษฐีคุณอาจจะเป็นราชาคุณอาจจะเป็นเสนาธิดาเสนาบดี body, อะไรต่างต่างแต่คุณหมดอาสวะเราไม่ต้องหมดอาสวาเราสมมติว่ลาละสักกายทิสิวิสิกาาิจสาสีสสสสลพัตตระมาตได้ทุกคนก็คือประสดารัน หรือว่าทำลายอาสวะหมดสิ้นทุกท่าก็คือพระานามันไม่มีชนชัน้นมันไป ด, ดูที่การลดของชิเิตใการเพิ่มของมธรรมเป็นศาสนาที่ใช้แนวธรรมะที่ปฏิรูยลุ่นๆนะฮะแต่ว่าเราเองก็เข้าไม่เพื่อถึงอะไรเราวางในางความจรอย่างยกตัวอย่าง เ, างเช่นธรรมนัสสักระนี่เป็นคุณชั้นนั้นชั้นนี้อะไรเนีย่ยนะที่จริงมันเป็นราชศักรรการะเฉย จะเกิดสำนึกที่จะสมรวมระวังปฏิบัติภารกิจให้เหมาะสมแก่ราชสกสารที่รับการบูชาอย่างสถาบันประมาทศัตง์ตามราชประฑิตที่สืบต่อกันมาแต่โบราณในการผลสมรษักใช้ในเป็นเครื่องมือในการสือสร่อสัรกันึืแล้วก็มีความสำนักมากยิ่งขึ้นนะแต่รับผิดชอบต่องานพระศาสนามากยิ่งขึ้นเห็นแก่ตัวให้น้อยลง รถป็นบางสังสวนลงไปใชบ้างนะเป็นราชาคณะผู้ใหญ่เนี่ยฮะมันก็ใช้ชีวิตวันๆก็อยู่ที่สวดบนชั้นเพนสวดบนชั้นช้าสวดบนแต่งงานนั่งพวกพุทธาพิเศษมันก็อายเขาหรือมั น, น่าใจะคนอื่นก็ทําอ่ะแต่ตัวเองมีภาระรับผิดชอบตระงานประชาศาสนามันน่าจะทุ่มเทไปนในเร่องนี้แล้วถ้าทําได้มันก็เป็นเรื่องมีคผลกันแต่ถ้าเอาไปเสริมอัตจารตุผ ให้เป็นใหญ่เป็นโตบางครั้งบางคราวเวลาเนี้มันก็ไปกันใหญ่ไปกันจนขนาดว่าข้าพูดน้อยมีสมณศะกดิสูงต่อให้ข้าผู้ใหญ่ไหวอย่างเงี้ยไปกันใหญ่จึงยังนึก ก, กลัวๆอยู่เป็นห่วงอยู่มากวันนี้มันจะเตลิดไปถึงไหนกันก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าอำนาจทางการปกครองแบบที่ว่าเนี่ยเป็นอำนาจของชาวบ้านไม่นช่อำนา ถ้าเขาไม่ปกครองกันอย่างนี้หรอกถ้ามันมีธรรมบิ น, นัยเป็นเครื่องปกครองมาอยู่แล้วแล้วก็เคารพกันตามสถานะมันเริ่มมาจากเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องอะไระอะไรก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้ต้องมีครูบาอาจารย์มีเจ้าวาดมีอะไระอะไรก็ปกครองกันไปพอ ม, มาปกครองกันแบบแบบเจ้าขุนมุญนายสิ่งที่จริงเนี่ยข้างนอกเคารพยึงไปทั้งนานแล้วแล้วก็เราเอามาตั้งตัวเป็นเจ้าขุนมุญนายกัน ตามโครงสร้างที่เรามีเนี่ยที่จริงมันเป็นโครงสร้างโบราณนะโ ค, ครงสร้างสมัยรัชกาลทห้าเราจะเห็นไหมเห็นไหมว่าภาคไหนมันไม่มีแล้วทางายบริหารเนี่ยภาคก็ไม่มีสั้งงานแล้ ว, ลวกระจายอำนาจลงไปลิบลิบไปแล้วจน อ, อบอตอกันแล้วนะเราก็ยังอยู่ในโลกเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็นเจา้าขุมมุนานางเจ้าปัญาเจ้าปัยาสมเด็ดจเจ้าปัญญาก็แบบเดิมเอง อ้ น, นี่ก็คือถ้าใชาเป็นคุณแล้วก็มอเป็นคุณแต่ว่าพระว่าไม่รู้จักเข้าทันมันไม่รู้ว่า น, นี่คือสมมติเอาแล้วที่จริงเนี่ยท่านกระตุ้นสํมนึกแต่กระตุ้นสํมนึกให้เราพยายามที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นให้ได้เอ๋อย่างอาตมาเคยเป็นโสคนคณะพรแปลว่าผู้ประดับหมู่คณะให้งดงามเราต้องพยายามทำ เวลาจะทำนิเทศก็มีหน้าที่แสดงทำแล้วก็ทําหน้าที่แสดงทำเราเป็นทำติลกอันนี้ก็ชื่อชักษะหรือว่าสป่งหนึ่งเราก็พยายามทําเต็มความสามารนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้ถือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพิเศษอะไรก็ทำนั้นเองก็คือเป็นพระพระรูปหึงครับแต่ว่างานนั้นเราควรจะเข้มงวดมากิ่งขึ้น คิดได้อย่างนั้นทำได้อย่างนั้นนะมันเป็นประโยชน์แก่ศาสนาเป็นคุณอุปการต่ดอดชาติบ้านเมืองซึ่งก็คงไว้ก็ไม่เสียหายแต่ถ้ากลายเป็นตัวเวเพิ่มเติมอัตราเ พ, เพิ่มมาทงการนอมังการแล้วเนี่ยเป็นเรื่องอย่างนั้นก็ะไรเพราะแทนที่กิเลสจะลดกิเลสมันเพิ่มนะมันไม่ใช่วิกิการนะครับเพราะศาสนานั้นกิเลสต้องลงต้องฝัง ในรบประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลา น, น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกนามไปบูรณ์ครจะมีแต่ท่านผู้ฝังท่านหลายท่พวกกัน